สหายทั้งสคนก็ได้อสุภสัญญาเหมือนกันเมื่อกลับเข้าไปในบ้านได้บอกเรื่องนั้นแก่สหายทั้งห้คนสหายเหล่านั้นก็ได้อสุภสัญญาโยสกุลบุตรเมื่อกลับไปบ้านได้บอกแก่มารดาบิดาและภรรยาท่านเหล่านั้นก็ได้อสุภสัญญาเพราะเหตุที่มีบุรภูปนิสัยทางอสุภสัญญานี่แหลเรือนซึ่งเกลื่อนกลนด้วยสตรีงาม บำรุงบำเรอให้เพลิดเพลินอยู่จึงปากฏกยศกุลบุตรประดุดป่าชาและด้วยอุปนิสัยนั้นเหมือนกันเขาจึงได้บรรลุคุณวิเศษคืออรหั ต, ตผลพวกเขาได้รับผลที่ตนปรารถนาแล้วดูก่อนท่านผู้สแสวงสัจจะถ้าไม่มีอุปนิสัยทางนี้แล้วความรู้สึกอย่างนั้นจะเกิดกยศกุลบุตรไม่ได้ยศเป็นบุตรเศรษฐีที่มั่งคั่งมาก ในเมืองพาราณสีนั้นมีสตรีที่สวยงามบำรุงบำเรออย่างดีคืนหนึ่งยาศา์นอนหลับไปก่อนเมื่อตื่นขึ้นตอนดึกขณะที่ไฟสว่างอยู่นั้นเขาเห็นสตรีเหล่านั้นนอนด้วยอาการพิกลพิการต่างๆบางนางพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางมีตะโพนวางอยู่ข้างคอบางนางนอนสยายผมบางนางน้ำลายไหลาบางนางระเบิดเพล่พก หญิงเหล่านั้นปรากฏแกยสระประดุดกับซากศพที่เขาทิ้งเกลื่อนกล่นอยู่ในป่าชา้าเกิดความสังเวชสลดจิตเบือ่อหน่ายออกอุทานด้วยความสลดใจว่าที่นี่กัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอจึงลงมาสวมรองเท้าออกจากเรือนไปออกประตูเมืองเดินไปทางที่จะไปสู่ป่าอิสิปัฒ น, นามิกทายะเวลานั้นใกล้รุ่งแล้ว พระบรมศาสดาเสร็จจงกรมอยู่ในที่ที่โล่งแจง้งทรงได้ยินเสียงของยศกุระบุตรว่าที่นี่ขัดข้องหรอที่นี่วุ่นวายหรอจึงตรัสเรียกแล้วว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยศกุระบุตรได้ฟังดังนั้นจึงถอดรองเท้าเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทรงแสดสงธรรมให้ฟังตรัสถึงเรื่องทานศีล ส, สวรรค์ โทษของกามกามาทีนบและความสุขความปลงใจของผู้ที่ออกจากกามแล้วคือเนคขมาโดยใจความย่อว่ามนุษย์ผู้อยู่ร่วมกันควรจะมีการเสียสละให้แก่กันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันจึงจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขแต่ว่าสุขนั้นเป็นสุขชั้นกามเจือด้วยโทษเป็นสุขที่เจือด้วยทุกขสุขโสมนัสอันใดเกิดจากกามนั่นคือ คุณของกามหรือกามคุณทุกโทมนัสอันใดเกิดจากกามนั่นคือโทษของกามแต่กามทั้งหลายมีสุขน้อยมีทุกมากมีพิษมากมีความเดือดร้อนมากมีรสอร่อยน้อยมีความขมขื่นปวดร้าวมากผู้เห็นโทษของกามจึงชักกายชักใจออกจากกามได้ความปร่งใจมีความสุขอันประนีตนั่นคือ เนคข ม, มสุขไม่ต้องเศร้าโศกไม่ต้องหวาดระแวงภัยเพราะการยศกุลบุตรผู้นายกามอยู่แล้วเมื่อได้ฟังพระรพุทธพจน์อัญชี้ให้เห็นโทษของกามและคุณของการออกจากกามจิตก็แล่นไปสู่เนคข ม, มสุขพระโกลมศ า, ศ, า ศ, าศาสดาทรงทราบว่าจิตของยะห่างจากความพอใจในกามควรรับพระธรรมเทศนาที่สูงขึ้นไปได้แล้ว จึงทรงแสดงอริยสัจสีเสมือนช่างย้อมผู้ฉลาดฟอกผ้าให้สะอาดควรแกการย้อมก่อนแล้วจึงย้อมด้วยสีที่ต้องการโยศกุลบุตรฟังพระธรรมเทศนาแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระสดาบันต่อมาภายหลังจึงได้สำเร็จอรหัตผลดูก่อนท่านผู้สแสวงสัจจะข้อความที่น่าสกิดใจอย่างยิ่งก็คือ คำสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับเศรษฐีผู้เป็นบิดาของพยาาัสสะบิดาของทัญญสะบอกว่ามารดาเศร้าโศกรำพันถึงบุตรหักหนาจงให้ชีวิตแก่มารดาโดยการกลับไปเรือเนเถิดพยะยสะมองดูพระาศาสดาพระพุทธองค์งจึงตรัสว่าจิตของยัสะหลุดพ้นจากอาสวะ บิดายึดมัน่นโดยอุปาทาแล้วคว ร, รอทิยสจะกลับไปบริโภคกามคุณเหมือนแต่ก่อนนั้นอีกบิดาของพรยาศะทูลตอบว่าไม่อย่างนั้นเลยพระเจ้าค่าเป็นลาบแล้วความเป็นมนุษย์อันพ่อยาศาได้ดีแล้วพระราดาเมื่อเศรษฐีบิดาของทันยาศาทราบว่าบุตรของตนบรรลุอรหัตผลสิ้นกิเลส ท, ทั้งปวงแล้ว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 ะวะคัคคีผู้สาเร็จมรรคผลที่ไร้ฝ่ายและท่านชะดินมีอุรุเวละกะสปะเป็นต้นก็นล้วนแต่ได้บำเพ็ญบารมีมาเพื่ออรหัตผลเท่านั้นหาได้ปราถนาตำแหน่งใดๆไม่อันหนึ่งชะดินสามพี่น้องมีอุรุเวละกะสปะเป็นต้นมีชีวิตที่เกี่ยวพันกับพระเจ้าพิมพิสารเพียงในชาตินี้ก็หาไม่แม้ในชาติก่อน ก็เคยเกี่ยวพันกันมาแล้วได้ทำบุญกุศลร่วมกันมาพระาศาสดาได้ทรงเล่าเรื่องนี้แก่พิสุทิ์ทั้งหลายว่านับถอยหลังจากนี้ไป92กับในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าติดสากและปุสะกพระพุทธเจ้าองค์ที่20สบและ21พระเจ้าพิมพิสารเกิดเป็นสมุบัญชีของราชกุมารสามพระองค์ เคยจะดินสามพี่น้องเวลานี้ได้ร่วมกันทาบุญทำทานในสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระราชกุมารสามพระองค์ได้รับศีลสิบนุ่งห่มผ้ากาสายะสองผืนตลอดเวลาสามเดือนว่าพระราชภาระในการบำรุงพระตถาคตและพระสาวกของพระตถาคตให้แก่สมุบัญชีของพระองค์คือพระชอบพิพิสารในเวลานี้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 ในราตรีนั้นเปรตทั้งหลายจึงได้เปล่งเสียงอนากลัวในพระราชวังของพระราชาแสดงตนให้ปรากฏจอมเสนาแห่งแคว้นมคตทรงสะดุ้งตกพระทัยเป็นอันมากรุ่งเชา้าจึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่ามหาบอพิษนับถอยหลังจากกับนี้ไป92กสองับ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 ทรงนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายมหาทานในวันรุ่งขึ้นแล้วได้พระราชทานส่วนกุศลว่าด้วยอานุภาพแห่งมหาทานนี้ขอข้าวน้ำอันเป็นทิพย์จงสำเร็จแก่เพรศเหล่านั้นข้าวน้ำอันเป็นทิพย์เกิดขึ้นแก่เพรเหล่านั้นแล้วคื้นต่อมาเปลศเหล่านั้นเปลยกายแสดงตนแก่พระราชา พระเจ้าพิมพิสารทูลถามความนั้นกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ตรัสให้ถวายผ้าแก่พระสงฆ์พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายจีวรแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกแล้วทรงอุทิศส่วนบุญว่าด้วยอนุภาพแห่งจีวรธานีขอผ้าอันเป็นทิพย์จงเกิดขึ้นแก่เปรตทั้งหลายขณะนั่นเองผ้าทิพย์เกิดขึ้นแล้วแก่เปรตเหล่านั้น พวกมันละอัตภาพแห่งเปรตดำรงอยู่ในอัตภาพอันเปรติบแล้ว พระศาสดาทรงอนุโมทนาบุญของพระราชาปิณพิสารโดยนัยยะว่าเปรตทั้งหลายมายือนอยู่ทิศทางสามแพ่งสี่แพ่งบ้างมาสู่เรือนของตนแล้วยือนอยู่ดอกฝาประตูบ้างเมื่อข้าวน้ําของคนเคี้ยวคนบริโภคเป็นอันมากมีอยู่ใครสักคนหนึ่งก็ไม่ได้นึกถึงเปรตเหล่านั้นเพราะกรรมของสัตว์คือเปรตนั่นเองปิดบังไว้ ผู้มีใจอนุเคราะห์เมื่อให้ทานจึงควรรลึกถึงญาติบางว่าขอกุศลผลทานนี้จงสำเร็จแก่ ญ, ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าญาติทั้งหลายผู้ไปบังเกิดเป็นเปรตมาประชุมกันอนุโมทนาด้วยความเคารพตั้งจิตให้ญาติผู้ทำบุญไปให้ได้มีความสุขยืนนานทายกผู้ทาบุญก็ไม่ไร้ผลในเปตโลกนั้นไม่มีกสิกรรม โหรักกรรมก็ไม่มีไม่มีพาณิชยกิจหรือการซื้อขายใดๆเปรตทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยทานเทียมนุษย์ทำบุญอุทิศไปให้เท่านั้นน้ําตกลงในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดขอทานที่ท่านให้แล้วจากโลกนี้จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนห่วงน้ําหรือข้วยหนองคลองบึงเต็มแล้วหลังลงสู่สาคร ผู้มีใจกรุณาระลึกถึงอุปการะที่ท่านทำแล้วแก่ตนมาก่อนว่าผู้นี้ได้เคยให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้เคยทำสิ่งนี้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรหรือเป็นเพื่อนของเราแล้วทำบุญให้ทานอุทิศส่วนกุศลให้ให้กับผู้ลวงรับทั้งหลายด้วยสำนึกคุนนั้นอันนี้เป็นประโยชน์ส่วนการร้องไห้เศร้าโศกคลั่มครวญ ไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วเขาคงอยู่อย่างนั้นเองไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นทักษิณาที่พระองค์ทรงบำเพนน็ญนี้ชื่อว่าได้ทรงตั้งไว้ดีแล้วในสงจากเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขตลอดกาลแลนานจกสําเร็จประโยชน์แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วตามควรแก่ฐานะพระองค์ทรงสแสดงญาติธรรมให้ประจักษ์แล้วในคราวนี้ ทรงทาการบูชาโอลานแก่พระญาติผู้ล่วงลับทรงให้กำลังแก่พิสุท์ทั้งหลายด้วยแล้วชื่อว่าได้ทรงผลขวัญในบุญเป็นอันมากพระคาถาอนุโมทนานี้ยังความปราปรื้มพระไทยให้เกิดแก่พระเจ้าพิมพิสารเป็นที่ยิ่งเพราะพระองค์มีพระไทยจดจอในการบุญกุศลอยู่แล้วเมื่อทรงทราบว่าเพราะราชกุศลที่ทรงทาอุทิศให้พระญาติในอดีต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 เทกสุทั้งหลายได้ทูลถามถึงบุพกรรมของพระอัการสาวกทั้งสองว่ามีปฏิฐานมาอย่างไรพระศาสดาได้ตรัสกล่าวว่าในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอนุมัติสีอันเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สิบพระสารีบุตรเกิดในสกุลพราหมาหาศานมีนามว่าสารธามานพส่วนพระโมคคัลลานะเกิดในสกุลขะหบดีมหาศานมีนามว่า สิริวัรกูดุมพีท่านทั้งสองเป็นสหายรักกันวันหนึ่งสารธามานพอยู่ในที่เงียบสงัดได้ไตรตรองเรื่องชีวิตเกิดความคิดขึ้นว่าเราสามารถรู้เรื่องของชีวิตลาตภาพเฉพาะในโลกนี้เท่านั้นแต่ว่ามืดมนต่อปัญหาชีวิตและอัตภาพในโลกหน้าเหลือเกินสัตว์ผู้เกิดมาแล้วไม่ตายนั้นเป็นไม่มีจะต้องตายอย่างแน่แท้ ชีวิตในโลกหน้าของเราจะเป็นอย่างไรหนอเพื่อตอบปัญหาชีวิตในเรื่องนี้สราระมานพ ต, ต้องการออกบวชเพื่อแสวงหาโมกธรรมจึงไปชวนสลิวัตรกุลุมพีผู้เป็นสหายแต่สลิวัดไม่พร้อมจะททำได้จึงปฏิเสธสาระมานพคิดว่าผู้ที่ไปสู่ปรลโลกคือโลกหน้าจะชวนสหายหรือญาติมิตรไปด้วยนั้นไม่ได้ โลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของของตนบุคคลต้องละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปกรรมดีกรรมชั่วที่เราทํานั่นแหละเป็นของเราและจะติดตามเราไปในโลกหน้าคิดดังนี้แล้วจึงบริจาคทรัพย์เท่าที่มีเป็นทานแล้วออกบวชเป็นฉดินมีผู้ออกบวชติดตามเป็นอันมากสรทดาบทได้ทํากสินบริกรรมจนได้อภินญาห้าและสมาบัตแปด ชนินบริวารก็ได้คุณสมบัติเช่นนั้นเหมือนกันเช้าวันหนึ่งพระอนมมัตสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกจากนิโรธสมาบัติหรือพระมหากรุณาสมาบัติพิจารณาอุปนิสัยแห่งสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยแห่งสรรธาดาบุพร้อม้วยบริวารว่าสรธดาบุอาศัยพระองค์แล้วจักปรารถนาตำแหน่งอัครส า, าวกดังนี้แล้ว เสด็จไปยังสำนักของสรารธดาบทเสด็จไปทางอากาศทรงอธิษฐานพระทัยว่าขอให้สรารธดาบทรู้ความที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อสรารธดาบทเห็นอย่างนั้นเองพระองค์เสด็จลงจากอากาศประทับยืนบนภาคพื้นสรารธดาบทเห็นอนุภาพแห่งอาคันตุกะและเพ่งพินิษสงาราศีแห่งพระพุทธสรีระแล้ว ผลึกถึงวิชาดูลักษณะคนที่ตนช่ำชองอย่างดีก็ได้ทราบโดยปัญญายานว่าอาคันตุกาผู้นี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ถอดถอนเกรดทั้งปวงออกจากจิตได้แล้วจึงถวายบังคมด้วยเบญจางค้าประดิษฐ์จัดอาสนะถวายส่วนตนเองนั่งบนอาสนะที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่น้อยกว่า ขณะนั้นชดินบริวารของสารธาดาบทจานวนมากกลับจากหาผลาผลได้เห็นอาจารย์ของตนนั่งแสดงความเคารพอาการตุกะผู้หนึ่งอยู่เกิดความประหลาดใจจึงกล่าวว่าพวกเราเข้าใจว่าในโลกนี้ผู้ที่ใหญ่กว่าอาจารย์นั้นไม่มีบุรุษผู้นี้เป็นใหญ่กว่าอาจารย์หรือสารธาดาบทตอบว่า ท่านทั้งหลายอย่านำเมล็ดทรายไปเทียบกับภูเขาสุเนรุราชเลยเราเป็นเสมือนเมล็ดทรายส่วนท่านผู้นี้เป็นเสมือนสิเนรุราชปัญพน์พระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญยูพระพุทธเจ้าบริวารของสารธาดาบทแน่ใจว่าอาคันตุกะผู้นี้เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แน่แท้มิฉะนั้นแล้วไหนเล่าอาจารย์ของพวกตนจึงแสดงอาการกายและวาจาเช่นนั้น จึงพร้อมกันมอบลงแสดงความเคารพสารธาดาบทล้างมืออย่างดีแล้วนำเอาผลไม้ที่มีรสดีวางลงในบาทของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าขณะที่พระอนุมัทิสีสัมมาทัพพุตเจ้ากำลังทรงรรทำพัฒกิจท่ามกลางการแวดล้อมของฉดินบริวารของสารธาดาบทและทรงปราศัยกับสารธาดาบทอยู่นั่นเองพระองค์ทรงดํารธิว่า ขอให้อัครส า, าวกของเราพร้อมด้วยภิกษุ ส, ษสงฆ์จงมาพระอัครร า, าวกทั้งสองทราบพระดำริของพระาศาสดาด้วยโทรจิตแล้วจึงรีบมาพร้อมด้วยภิกษุ ส, ษสงฆ์บริวารยืนถวายบังคมอยู่นะที่สมควรด้านหนึ่งสาราดาบทสั่งให้ชนินบริวารผู้ไดอภิญญาหและสมาบัตร8ไปนำดอกไม้จากป่าใหญ่มาทำอาสนะดอกไม้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 วิสัยแห่งกรรมและผลของกรรมคือกรรมะวิปาก ว, วิสัยและ 4. ความคิดถึงความเป็นมาของโลกคือโลกจินตาท่านว่าเรื่องทั้งสี่นี้เป็นอจินไตใครคิดมากต้องการรู้ได้เหตุด้วยผลอาจเป็นบ้าได้ คือว่าบางอย่างเรารู้ได้โดยประสาทสัมผัสธรรมดาเช่นรูปที่หยาบรู้ด้ตาเนื้อเสียงที่หยาบรู้ได้หูเนื้อสัมผัสที่หยาบรู้ได้กายเนื้อเป็นต้นบางอย่างเราก็รู้ได้ด้วยเหตุผลเช่นความผิดความถูกความดีความชั่วเป็นต้นแต่ว่าบางอย่างเราไม่อาจจะรู้ได้โดยประสาทสัมผัสและด้วยเหตุผล แต่รู้ได้จริงๆด้วยญาณวิเศษของท่านผู้มีจิตใจประณีตจนมียานเกิดขึ้นเช่นทิพยระจักษุญาณเป็นต้นสามารถเห็นกายทิพย์ที่จักสุธรรมดาเห็นไม่ได้พระราดาสรุปว่าสิ่งอันเป็นวิสัยแห่งภาษาเรารู้ได้โดยภาษาสิ่งอันเป็นวิสัยแห่งเหตุผลเรารู้ได้ด้วยเหตุผล ส่วนสิ่งอันเป็นวิสัยแห่งญานก็ต้องรู้ได้เดียรานตลอดเวลาเจวันที่พระอโนมทัตสีสามพุทธเจ้าประทับอยู่ณสำนักของสรารธดาบทนั้นสรารธดาบทได้ยืนกั้นฉัดตกไม้ถวายด้วยปีติปราโมทมีความสุขตลอดเจวันและเจ็วันนั้นพระพุทธเจ้าและพระอัครส า, าวกรวมทั้งพระสาวกอรหันได้เข้านิโรธทศมาบัติ เพื่อให้สการะของสารธดาบทและชดินบริวารมีอานิสงฆ์มากในวันที่7พระาศาสดาเสร็จจากนิโรธทศมาบัตรรับสั่งให้อัคราสาวกนามว่าพระนิสพะอุโมทนาและรับสั่งให้พระอัคราสาวกอีกกลุ่มหนึ่งคือพระอนุมเทระแสดงธรรมแต่ไม่มีใครสำเร็จมรรคผลเลยพระาศาสดาจึงทรงสแสดงธรรมเอง ชนบริวารของสารธาดาบทได้สําเร็จอรหัตผลทั้งหมดส่วนท่านสารธาไม่ได้สําเร็จเพราะมีจิตฟุ้งซ่านอยู่ตั้งแต่เริ่มฟังอนุโมทนาของพระอัคราสาวกจนถึงฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจิตของท่านวนเวียนอยู่ว่าฉะไหนหนอเราจะพึงได้รับภาระชนีบ้างจากพระพุทธเจ้าซึ่งจะบังเกิดขึ้นในอนาคต สารธาดาบทกินตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักของพระอ น, นมุมทติศีพุทธเจ้าว่าพระเจ้าข้าด้วยกุศลกรรมครั้งนี้ข้าพระพุทธเจ้ามิได้ปรารถนาความเป็นเท้าส ก, กะหรือความเป็นลมแต่ข้าพระองค์ปรารถนาเป็นพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนพระนิสพะระเถระพระศาสดาทรงสรงพระยานเป็นในอนาคต ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคโดมในอนาคตท่านจะเป็นอัครส า, าวกที่หนึ่งนามว่าสาริบุตรจกเป็นผู้ที่มีความสามารถหมุนธรรมจักได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าจากเป็นผู้ที่มีปัญญามากบลุถึงยอดแห่งสาวกกับบารมีญาณเมื่อพระาศาสดาเสด็จกลับแล้ว สารธดาบทก็รีบไปหาสริวัตรผู้สหายเล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังและขอร้องให้สริวัตรปราถนาตำแหน่งอัครส า, าวกที่สองสริวัตเชื่อท่านสารธดาบทจึงเตรียมมหาทานถวายภิสุสง์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขตลอดเวลาเจวันแล้วปราถนาตำแหน่งอัครส า, าวกที่สอง